ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องเทพยักษ์และคนทันอยู่ที่ไหนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่19กรกฎาคม2537ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญทัติตารับฟังได้นะบัดนี้ มันก็คือสภาพที่หมุนเวียนอยู่อย่างซ้ำรากวัตถุสงสารคือความซ้ำซากเกิดมาสู่ทุกซ้ำรากไม่รู้นานับชาติแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเราซ้ำซากอะไรเราเบื่อเราไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเกิดอย่างนั้นอีกแต่จริงๆแล้วก็วนเวียนเกิดมันซ้ำซากอยู่นั่นแหละ เต่าซ้ำซากเกิดมาชาติไหนชาติไหนถ้าไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมมันก็เอ็ทุกอยู่ทุกชาติซ้ําทุกอยู่นั่นแหละมันควรจะหาทางออกมันควรจะเบื่อเบื่อทุกขแต่ถ้าไม่ได้เรียนสัจธรรมแล้วก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็ดินรนเมื่อมันซ้ํำซากอะไรก็ดินรนดินรนหาออกของแปลกของใหม่ออกไปซึ่งเป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องปรุงแต่ง เรื่องหาเรื่องแปลกเรื่องใหม่บางคนก็เลยไม่อยากซ้ำซากก็หาเรื่องแปลกเรื่องใหม่เอาไปเรื่อยก็เลยยิ่งมีแต่ตัวปลอมที่เกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นปลอมขึ้นอร่อยขึ้นมาหมอมเอากันมากยิ่งมากยิ่งมายิ่งเยอะยิ่งแยะขึ้นพอสร้างขึ้นมาซ้ำซากหน่อยก็เบื่ออีกและหาเรื่องใหม่ปรุงใส่เข้าไปอีกแล้วเลยยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งจัดยิ่งจานยิ่งซับยิ่งซ้อนยิ่งหนา นะ่ยิ่งหนายิ่งมากเพราะงั้นตะพูดีได้คิดพูดดีเห็นด้วยปัญญาให้ดีว่าความจริงแล้วเราควรจะยินดีกับสิ่งที่ซ้ำซากและก็ควรจะต้องมีปัญญาเห็นในความซ้ำซากนั้นว่าถ้าเผื่อว่าจะเกิดเป็นมนุษย์มันควรจะซ้ำซากในอะไรมนุษย์สุดท้าย เมื่อเป็นมนุษย์ก็เป็นพลังงานแท่งหนึ่งคนคนหนึ่งเหมือนกับเครื่องกลเครื่องหนึ่งเหมือนกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแล้วมันจะมีคุณค่าประโยชน์อะไรจะมีคุณค่าประโยชน์ก็ตรงที่มันทํางานสร้างสรรหุ่นยนต์ที่มันมีประสิทธิภาพที่จะสร้างสรรถ้าบอกว่าในจิตใจของเรานะั่นน่ะ ไม่บำเรออะไรแล้วมันก็เหมือนหุ่นยนต์ไม่ต้องบำเรอแต่แต่เพียงว่าผู้รู้ก็คือญาณทัศนวิเศษของแต่ละคนนั่นแหละหรู้เจ้าของหุ่นยนต์ผู้รู้คือเจ้าของหุ่นยนต์เราก็คือญาณทัศนวิเศษที่รู้และเราก็ใช้ญาณทัศนวิเศษหรือความรู้หรือเจ้าของหุ่นยนต์นี้ใช้ให้หุ่นใช้ให้หุ่นยนต์นี้มันทําสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าโดยยานทศนวิเศษด้วยปัญญาของเราอันยิ่งนี่แหละรู้จากหลักเศรษฐศาสตรศาสตร์รู้จากคุณค่าของสังคมมนุษยชาติรู้จากโลกแล้วเราก็ให้มันทำให้มันทางานให้มันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่ า, เ, าเราจะทำให้มันมีประโยชน์เท่าไรเท่าไรใช้ให้มันมีประโยชน์ได้มากเท่าไรที่สุดเราก็พึงจัดแจงจัดสั่งการ กระทำมันจะทำซ้ำซากอยู่ยังไงหุ่นยนต์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันก็มีคุณค่าประโยชน์เท่านั้นเองเมื่อเราหมดการบำเริดตนหมดสุขหมดทุกข์จิตใจว่างจิตใจเฉยอย่างที่เราได้เรียนรู้มามากแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าจึงอยู่กับยานทัศนวิเศษหรือยอดยอดวิชา ความเป็นเหมือนหุ่นยนต์นั่นแหละจะซ้ำซากยังไงก็ซ้ำซากได้และไม่มีอะไรที่จะไม่ซ้ำซากไม่มีในจักรวาลมหาเอกภพนี้ก็มีตะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละหมุนไปกระทบกันไปแตกสลายไปเปลี่ยนแปลงไปสลายแล้วก็มารวมกันใหม่ชีวิตชีวะก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นหลงก่อก่อเป็นวิญญาณขึ้นเมื่อใดมันก็เป็นอัตตาขึ้นเมื่อนั้นไม่ใช่หลงเรามันจะปรุงแต่งไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นปฏิกิริเป็นวิญญาณเป็นพลังงานจนกระทั่งมาเป็นวิญญาณเมื่อมาเป็นวิญญาณแล้วก็เกิดยึดเป็นอัตตาเป็นความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูของกูขึ้นมาจนกระทั่งกว่าจะมาเรียนรู้สลายไป มาเรียนรู้ปรินิพานได้โอ้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องพูดเลยแล้วมันนานแค่ไหนแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เกินคิดในเรื่องที่เวียนวนอยู่อย่างนี้มีมากมายนาตามาหยิบพระเตปิดกเล่มสิบมาพระเตปรดกเล่มสิบเนี่ยสูตรที่หนึ่งคือ มหาประธานสูตรเป็นสูตรที่ว่าโดยการระึกชาติพระภิกษุทั้งหลายแหล่สนทนากันเรื่องบุเพนิวาสาบุเพนิวาสคือการระลึกถึงระลึกชาติระลึกความเข่าความหลังพระพุทธเจ้าผ่านมาพบเข้าก็เลยถามมาคุยอะไรกัน พระนั่ก็บอกว่าคุยกันเรื่องการระลึกชาติแล้วก็กเลยท่านทั้งหลายนั่นท่านระภิกษุทั้งหลายเลยก็เลยบอกว่าหมดถึงโบดีแล้วละ่ะพระพุทธเจ้ามาก็ดีแล้วละ่ะพระพุทธเจ้าน่าจะพูดถึงเรื่องบุพเพนิวาสะการระลึกนี้ให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยเถอะระลึกชาติอะไรอะไรยังไงแค่ไหนที่ถึงจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยเอางั้นดีฟังจงฟัง แต้วท่นเล่าไปถึงตั้งแต่โอ้สมัยนับตั้งแต่ไปถึงกี่กับกีดกับกีดนั่นนั้นไปถึงตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระวีปัะสีพระสิษขีพระเวสภูพระอะไรต่ออะไรอุบัติขึ้นมาในโลกตั้งแต่นนท์ตอนนอนท์ตอนนอ น, น์มีใครเป็นพระอักษรวกตัสรุปเมื่อไร่เกิดมาในตระกูลอะไรมี อายุเท่าไหรยังวิพอบีปฏตสีนี่มีอายุ8 0,000 ปีตายอะไร่งี้เป็นตน้นก็เล่าย้อนไปฟังแล้วก็ตัวนิทานเราดีๆเนี่ยเราจะคิดออกไหมล่ะนะอายุคน 80,000 ปีตายอะ่ะจะเป็นยังไงนะก็เล่าไปองค์นั้น8ปด0 0ื่ปีอง์นี้ห0 0 0ืปีอง์นี้สี่ 0,000 ืนปีอะไรก็เล่ามากมายกายกอง สรุปแล้วก็เป็นประวัติของพุทธิทรงบำเพ็ญให้เห็นถึงความเป็นผู้เลิศผู้ยอดของโลกขอ ง, งของจักรวาลนี้กี่กับกี่กันกี่ยุกี่สมัยมาแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าเขาเป็นอย่างนี้นะ่ทยก็เล่าไปนะเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายแหล่พระพุทธสัตว์ทั้งหลายแหล่นั้นก็ตรัสรู้อะไร ก็เท่านั้นเองนะก็เล่าแล้วก็ตัดสรุแล้วก็มาสอนแล้วก็มาสร้างศาสนานะนี่ก็เป็นการเล่าบุพเพนิวาสานุสติยานต่อมาก็มามหานิทานสูตรอาตมาก็ว่าจะเอามหานิทานสรนี่มาเล่าไม่ใช่มาเล่าเรามาอ่านแล้วก็กระจายความขยายเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าแปด0มื่นปีนี่อาตมาว่ามันไกลไป แล้วเล่ากับพวกเราแล้วก็ขยายความมันก็ไกลไปเอาใกล้ขึ้นมาหน่อยมหานิทานนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวข้องกับจิตเจตสิกเกี่ยวข้องกับเหตุเกี่ยวข้องกับอะไรตะไรซึ่งจะใกล้สิ่งที่เราจะพึ้ปฏิบัติซึ่งมันก็ต้องอธิบายขยายย้อนเล่าส่วนนั้นส่วนนี้ประกอบเป็นเรื่องนิทานมีนิทานเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็มีนิทานเหมือนกัน ก็ชือมหานิทานเนี่ยมันต้องมีนิทานแน่น่ะฟังดูสมัยหนึ่งพระภูมีพระภาคประทับอยู่นะักกุรุชนบทมีนิคมของชาวกุรุนามว่ากรมมาสธรรมะครั้งนั้นพระท่านพระอ น, นุ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาพระภูมีพระภาคแล้วนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง นี่เป็นสำนวนในพวกนี้เยอะแตะพบกันแล้วก็อย่างนี้เหล่ามือก็เป็นสำนวนยกตายมาเลยนะมาพูด <c oughs> ทักทายกันแล้วก็เป็นมารยาหรือเป็นวัฒนธรรมจริงๆนะนั่งนทติกวรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอนุนนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวทูลความข้อ น, นี้กับพระบูมีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาท นีลึกซึ่งสุประมาณนะปฏิจจสมุปบาทนี่ตกตัวปอนทะทำไมสมุปบาทนี่ไม่มีตัวปองงนี้อปฏิจจสมุปบาท นี่ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข่าพระองค์เหมือนเป็นของตื่นนักท่านก็ตัดสื่อนะออไม่ใช่ตัดท่านพูดนะเฉพาะอนนท์นนนทก็บอกท่านก็สื่อท่านบอกโอ้ปฏิสมุบาทเนี่ลึกซึ้งเหลือเกินนะสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกไม่นอกจากว่าลึกมันลึกซึ้งเหลือเกินเนะ่ ปรากฏเป็นของลึกอีกนอกจากลึกซึ้งแล้วยังไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรเขาแปลมาจากพระบาลีอะไรก็ไม่รู้นะนอันเนี้ยลึกซึ้งสุดประมาณนี่เสร็จแล้วก็ปรากฏเป็นของลึกอีกภาษาไทยซ้ําเข้าไปลึกอีกนอกจากลึกซึ้งเหลือกำลังวังชาแล้วยังบอกนึกลึกอีกก็หมายความว่ามันก็คงจะซับซ้อนชรชัยเข้าไปทั้งวันลึกเท่าไร่แล้วลึกซึ้งเท่าไหร่แล้วก็ยังมีความลึกซ้อนลงไปในทิศ นั่นอ ก, ก็แลถึงจะเป็นเช่นนั้นแม้มันจะลึกซึ้งลึกอย่างซับซ้อนมีอะไรแต่ไรที่มันวิจิตพิสดารยังไงก็ตามแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื่นนักแหมพระอ น, อนนต์บอกถึงอย่างนั้นก็ตามข้าพระองค์ก็แหม่ก็ยังเห็นว่ามันง่ายมันตื่น มันไม่ยากนะก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ก็เราก็ท่านก็สามารถรู้ได้เหมงอนกันเถอะพระอนนท์ว่างั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นอนนท์เตือนสองทีนะเธออย่าพูดอย่างนั mm ้นอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นอ า, อานนท์พระผู้มีพระภาคก็ปรามเป็นธรรมดาของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และนะก็พยายามที่จะเตือนอะไรที่มัน เพอไพรไปเป็นเรื่องที่ลักษณะคุยโตคุยโวด้วยลักษณะที่มันควรจะสังวรระวังควรจะมีลักษณะอะไรต่ออไรที่ดูดีแม้จะเป็นความจริงใจก็ตามก็ต้องระมัดระวังในอาหารภาษาหรือความควรในกาละที่ควรจะพูดอวดพูดอ้างพูดเหมือนกับเพลอตัวทําเป็นอวดดีมีมานะถือดีอะไรก็ก็จะต้องพยายามรู้สึกตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั เธออย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกภาษาไทยก็ยังอยู่อย่างนี้เองนะลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกคุณก็ฟังซ้อนลงไปกันแล้วกันาคว่าลึกลึกึกลึกนี่มันก็องลึกึกอยู่ในนั้นแหละมันจะลึกยังไงก็เถอเดี๋ยวจะหาคำว่าลึกลึกนี่มาตั้งชื่อคนไว้สักหน่อยนีย มันมากมายนักมันลึกอะไรบ้างลึกแท้ลึกเทียมใครจะชื่อลึกเทียมนะลึกลำลึกซึง้งลึกซึ้งก็เคยตั้งให้แล้วนะแต่ก็ยังไม่อยู่ไม่รู้จะเอาไม่เอาตั้งให้เคยตั้งให้ให้พิชัยฮ ะ, ะพิชัยเคยตั้งให้ว่าลึกซึง้งแล้วไม่รู้เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาก็ไม่ค่อยก็เอาฐานเลยนะไม่เอาก็จะได้ถอนคืนอแตมาไม่ได้ ไม่รู้บันทึกไปหรือเปล่าอันนี้นะเานี้ก็แวะนิดหน่อยอลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกดูกระอานนน์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมะอันนี้มูสัต์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุษได้ของช่างหูกเกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล่อง จึงไม่พ้นอบายทุกคติวินิบาตสงสารหรือสงสาระสงสา ร, สสารนี่หมายความว่าอะไรรู้กันหเปล่าสงสารก็คือวตตะที่มันหมุนเวียนอยู่นั่นแหละสงสารไม่ได้แปลว่าหน่าเห็นใจที่ก็ไม่ก็น้าเห็นใจคนที่วนเวียนอยู่นี่แหะน้าเห็นใจมันเป็นมันมีความหมายของมันลึกๆ ความหมายของสองสารนี่ก็คนที่มีปัญญาเห็นคนที่ยังอยู่ในวัฏฏะหรือยู่ในความมุวนวนอย่งสังสารวัฏเนี่ยมุนวนแล้วก็อยู่กับอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยปรุงแต่งอยู่ก็เห็นว่าเห็นว่าเป็นสาระนักหนาถ้าจะเอาพญัญชนะลึกๆ mm hmm. อ, อยู่ก็บไอ้นี่นึกว่าเป็นสาระนักหนาก็มุนไม่รู้จะจบจากสิ้นอยู่เนี่ยนะผู้ที่ท่านบรรลุหลุดพ้นที่ท่านไม่มีวัฏฏะสงสารแล้วท่านเห็นแล้วท่านก็สมเพรเวทนา มันก็ไปสํานวนไทยวนๆอยู่ในตัวตัวภาษาบาลีด้วยเหมือนกันสมเพ็เวทนานี่็เห็นแล้วก็เออมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าแหมไม่รู้จักทุกเนอะไม่รู้จักอะไรต่อะไรก็จะต้องจมอยู่กับความวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่ขยายความมากๆสงสารภาษาไทายมาใช้กันเป็นปนพืันมาจากธรรมะนี่เองจนกระทั่งมาเป็นภาษาใช้เป็นความหมายของภาษาไทยไปเลยไม่พน้น อบายทุกขติวินิบาตสงสาระก็หมายคำว่าก็อยู่ในนี่แหละอยู่ในอบายก็คือความทุกข์ร้อนอยู่ในทุกขติไปสู่ความลําบากลําบนวินิบาศวินิบาตับแล้วว่าไป ท, ที่ที่ต่ําที่สุดที่เดือดร้อนที่สุดที่สุดแห่งที่สุดของนรกที่ไม่มีที่จะไปแล้ววินิบาตาปาตับแล้วว่าตกล่วงลงไปตกลงไปจนกระทั่งมันตกลงไปอย่างยิงย่งจนกระทั่ง ไม่รู้มันจะเป็นตกตรงไปไหนอีกแล้วมันสุดที่จะเป็นนรกเป็นที่ที่ทุกข์ร้อนเป็นที่ที่ลําบากมากเป็นที่ที่เรียกว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์โลกมันจะพึงตกลงไปที่ที่แสนจะทรมานที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนที่จะแย่กว่านี้อีกแล้วนั่นแหละคําคาวินิบาทก็วนเวียนอยู่ในความทุกข์เนี่ยอบายทุกขติวินิบาทอย่างเงี้ยสงสาระก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะดูกระอานนน เมื่อเธอถูกถามว่าอาตมาไม่ขยายความนั่นเลยบอกว่าถ้าไปไม่รู้จักธรรมะไม่แทงตลอดแล้วก็จะยุ่งเป็นปมคือไม่รู้จักความคลี่คลายไม่รู้จักอะไรที่ทางออกไม่รู้ละเหมือนปมได้เหมือนอะไรเป็นผูกยุ่งไม่รู้ทางมือนยิ่งกับเขาวงกดเหมือนหญ้ามุงก็ต่ายเหมือนหญ้าปล้องอะไรที่ทันเทียบไว้ก็มีนัยยะที่มันไม่มีทางออกไม่มีทางรู้ไม่มีทางไปไม่มีทางหลุดพ้นนั่นแหละนะ ดูกระอนนนเมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะชรามรณะเป็นเครื่องคู่กันแก่กับตายเป็นธรรมชาติอันห น, นึ่งแก่กับตายในชรากรรมรณะชรามรณะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือถ้ามีใครถามชรามรรณะมีมีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นเป็นส่วนเป็นต้นเป็นทาง ที่จะเป็นมาซึ่งถึงความถึงความชราคับตายเนี่ยเธอเพึงตอบว่ามีหรือกคจะตอบว่าไม่มีเห็นไหมชรามรณะเนี่ยมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือก็ถามธรรมดามีสิ่งมีเป็ดมีสิ่งมีปัจจัยไหมชรามรณะนี่มีสิ่งมีปัจจัยไหมมีนะ ถ้าเขาถามว่าชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัย น, นี่ก็คือปฏิส ม, มุบบาท mm. ท่านพระพุทธเจ้าท่านเมื่อพระอนุ น, นันติอุทานถึงปฏิจจ ส, ม, ม, ส ม, มุบบาทพระพุทธเจ้าก็ขยายสมุบบาทสมุปบาตถ้าใครถามว่าชาเชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยก็ตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าชาติมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่ามีทักเขาถามว่าชาติมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีภพเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าภพมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีทักเขาถามว่าภพมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีอุปทานเป็นปัจจัยนะเมื่อเธอถูกถามว่าอุปทานมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถักเขาถามว่าอุปทานมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่ามีตัณหาเป็นปัจจัย น, นี่ก็ไล่ย้อนไล่ย้อนถวนตั้งแต่ชารามรณะชารามรณะแล้วก็ชาติาชารามรณะแล้วก็มีชาติแล้วก็มีภพมีภพ แลก็มีอุปทานมีอุปทานแล้วก็มีตัณหาอาตมาจะไม่อ่านก็จะซ้ำสร้างโดยประโยคคำถามเหมือนกันเป็นแต่เพียงเปลี่ยนตัวพวกชราชาติพบอุปทานตัณหาแล้วก็ใครนึกออกไห ม, มเวทน า, นาไล่ปฏิจสมุบาทดูลองไล่ไปดูนะทบทวนด้วยเพราะว่าเราเคยฟังมาแล้วละ ทบทวนไปอัตมาไม่อ่านซ้ําอ่านซ้ําก็อย่างนี้อีกประเดี๋ยวก็จะรู้สึกความรู้สึกเบื่ออีกแหละซ้ํำซากภาษามันจะวนอยู่อย่างนี้แหละเธอพึงตอบมีอุปทานเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าอุปทานมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าอุปทานมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่าตัญหาเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าตัญหามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึ่งตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าตัญหามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีเวทนาเป็นประจัยอย่างนี้มันจะไล่ไปเปลี่ยนได้ตัว ปฏิจจสุบาตทั้ง10บเอ็นี่แหละนะมาทดลองไล่ดูเมื่อเวทนาแล้วก็มีอะไรเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อผัสสะและมีอะไรเป็นปัจจัยอ่าไม่มีนามรูปก่อนทผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยถถเพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยนะ เธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อถูกถามว่านามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่ามีวิญเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยดูกะระอานนท เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี่แลจึงเกิดวิญญาณาท่านมาจบตรงนีน้มาจบตรงนามรูปกับวิญญาณาที่จริงจากนามรูปจะมีสังขารานามรูปวิญญาณสังขารถึงอวิชชาถึงมาเกิดสังขาร แต่นี่ถ้าไม่ได้อธิบายต่อไปตรงนั้นท่านอธิบายได้แค่วิญญาณกับนามรูปท่านตัดกับสังขารกับอวิชชาออกไปแต่อวิชชานั้นมือแต่ต้นแล้วเพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดในธรรมะอันนี้เนี่ยนะก็คืออวิชชานั่นแหละเพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดเนี่ยนะเราอ่านต่อดูตรงนี้นะนะเธอเพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าผัสสามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัย <N> <script> นะเมื่อเธอถูกถามว่านามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอเพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธอเพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าถ้าเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยวนกันอยู่ตรงนี้แล้วนะดูกระอาบนน์ เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะนเพราะงั้นสรยตนาหรืออะไระอะไรพวกนี้นี่ไม่มีในสูตรนี่ไม่มีจริงๆนะเราเองเราก็รู้มากกว่าท่านนเก่งกว่าท่านก็ใส่เข้าไปซะอีกนะน ะ, ะไม่ต้องใส่ก็เอาตามนี้ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดปัสสัเพราะปัสเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเพราะพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทโมณัตอุปายาสกนะก็ตกลงปฏิสนวาทอันนี้มีแค่เริ่มต้นจาก นามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนี่วนอยู่ตรงนี้นะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปวนมาอีกเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะนะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโศกปริเทวะทุกขอุบายาสันะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนี้ก็คำนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะอทีนี้ลองไล่นะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดุกระอานนน เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายนี้แม่นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะดูกราอานนนก็แล้วถ้าชาติมิได้มีแก่ใครๆในพบในไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือมิได้มีความเป็นเทพแห่งพวกเทพเพื่อความเป็นคนทันแห่งคนทันแห่งพวกคนทัน เพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์เพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์เพื่อความเป็นสัตว์สีเท้าแห่งสัตว์แห่งพวกสัตว์สีเท้าเพื่อความเป็นปักษีแห่งพวกปักษีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานดูกราอนนลก็จะชาต ไม่ได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งสัตว์พวกนั้นพวกนั้นเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชรามรณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมอ้าวใครตอบจะปรากฏได้บ้างไหมเพราะไม่มีนี่นะเพราะถ้าชาติไม่ได้มีในพบในไหนไม่ได้มีเพื่อความเป็นอะไรอะไ ร, ะไรต่างๆนะเดี๋ยวจะได้ขยายเนื้อตรงนี้แหละอ่า จะขยายให้ลึกซึ้งฟังสำคัญเลยคงไม่ไปพ้นพระกาบนี้แล้ววันนี้นะเพราะงั้นเมื่อมันไม่มีอย่างที่กล่าวนี้แลวนี่เพราะชาติดับไปเพราะความเกิดคำว่าชาในดับไปเชรามารณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้ไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะเหตุนั้นแหละอ น, นุนเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่ง ชรามรณะมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยเมื่อกี้ท่านถามแต่ว่ามีปัจจัยเมื่อท่านตรัสคือมาเป็นสูตรของปฏิจจสมุปบาทนี่มีแต่ใช้คําว่าปัจจัยคําเดียวจากนั้นมาท่านก็มาขยายคําว่าปัจจัยนี่มีเหตุมีนิทานมีสมุทัยขยายออกจากปัจจัยมามีเหตุมีนิทานมีสมุทัยตกลงเดียวจะ ย้อนไปหาพวกเหตุพวกนี้แล้วก็จะขยายเรื่องราวเป็นนิทานแล้วก็จะได้ชี้ลงไปถึงตัวการเรียกว่าสมุดไทยก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยนะเพราะเมื่อท่านบอกถึงปัจจัยมาว่าคือชรามรณะนีม่มีชาติเป็นปัจจัยอีกความเกิดคำว่าความเกิดเป็นภาษาไทย เมื่อมีความเกิดแล้วไอ้ที่มันเกิดนี่แหละมันถึงจะพอมันเกิดมันจึงจะต้องมีชรามีมรณะถ้าไม่มีความเกิดชรามารณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงถึงจะให้ความเกิดนี่หมดไปและความเกิดนี่มันเกิดมาอย่างไงบ้างนะมันก็บอกไม่มันก็มีนะท่านก็นตรัสไปแล้วมันก็มีอย่างนี้บอกให้เราทราบได้ว่านะก็และถ้าชา่าไม่ได้มีแก่ใครในภพไหนไหนนะ มีชาติขึ้นก็จะเกิดภพนะมีชาติเกิดพบมีพบเกิดชาติได้ยังไงเราก็ชาติมาก่อนพบชราบรณะมันมีชราบรณะก็เพราะมันมีชาติมันมีตัวเกิดมามันถึงมีชรามรรณะเพราะมันมีเมื่อมันมีชาติมันมีการเกิดพรมันก็มีพบก่อนนะเพราะในภพไหนไหนี่ยก็แล้วถ้าชาติไม่มีได้ไม่มีแกใครๆในภพไหนคือ พที่ว่านั้นมีพบอะไรบ้างามาเรียนรู้หนึ่งพบเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพพบเพื่อความเป็นคนทันแห่งพวกคนทันพบเพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์อะไรอะไรชาติมิเนี่ยดูกระดับชาติไม่ได้มี แกใครใครในภพไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนก็หมายความว่าในภพนั้นๆคือชาตินี่มันเกิดในภพนั้นก็คือมันในละมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่เราจะเรียกว่าชาติระภพก็แล้วแต่ภพคือแดงเกิดชาติคือตัวเกิดเพราะฉะนั้นในภพนั่นแหละมันมีภพแล้วมันก็มีชาติในภพนั้นนั้นเพราะฉะนั้นภพที่เกิดมันก็เกิดมาน่ะมันกเกิดเพื่ออะไรมันก็เกิดเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพ ก็ในชาตินั่นแหละเกิดแล้วก็ในภพนั้นแหละมันมีภพแห่งเทพนะมีภพแห่งคนทันมีภพแห่งพวกยักษ์มันก็เกิดเป็นเป็นเทพเป็นยักษ์เป็นคนทันเป็นพูดเป็นมนุษย์หรือแม้เป็นสัตว์สี่เท้าเป็นพวกปักศีพวกสัตว์บินสัตว์เลื้อยคลานนะท่านกะตัดไปแค่นี้ ดุกระอันอนนทชาตไม่ได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งสัตว์พวกนั้นพวกนั้นเมื่อชาติไม่ได้มีในประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชรามรณจิพอจะพึงปรากฏได้ไหมไม่ได้นะเอามาขยายรายละเอียดของพวกนี้เราเรียนมาแล้วน ะ, น ะ, อ, ะอ่านไปอีกสักสักวักหนึ่งมันจะเอ า, เอาพบเสีก่อนเพราะมันขยายความไม่มีพบมันไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับพบนะ เพราะเหตุ น, นั้นและอนนต์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชรามารณะก็คือชาตินั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดุกระอนน์เธอพึงทราบข้อความนี้โดยปริยายแม่นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติดูกระอนน์ ก็ตาพบไม่ได้มีแก่ใครๆในพบในไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือกามาพรูประพบอรูปรพบพบก็ขยายพบออกไปเป็นภาษาสามหข้อเมื่อกี้ขยายชาตาิที่มันจะเกิดในพบออกมาเพื่อความเป็นเทพเพื่อความเป็นคนทันเพื่อความเป็นยักษ์เพื่อความเป็นพูดเพื่อความเป็นมนุษย์ เปิดความเป็นสัตว์สี่เท้าสัตว์ปีกสัตว์ล้อยคลานนะเมื่อกี้นี้นะท่านก็ขยายแล้วก็ ย, ย้อนกลับไปอธิบาย ส, สิ่งสภาพเหล่านั้นเราก็จะรู้ตั้งแต่ยาวกลางละเอียดที่มันจะพึงเป็นอที น, นี้ก็มาถึงภพก่อนนะก็เพราะว่ามีชาติจึงมีภพนะมีภพจะเกิดชาติ นะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาตินะเพราะงั้นในพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาตินี่แหละถ้าพบไม่ได้มีก็ไม่มีชาติทีนี้พบมันมีอะไรบ้างพบก็มีการมาพบรูปมพอรูปมพเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับไปชาติจะพึงปรากฏได้บ้างไหมปรากฏได้บ้างไหมพบไม่มีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชาติก็คือ พบนั่นเองนะที่จริงนะขยายความต่อไปนี่มันก็เราก็เรียนปฏิเสมมู่ป่านมาบ้างกันบ้างแล้วนะย้อนมาก่อนดีกว่านะมาขยายได้รับทราบคำว่าพบมันมีการมาพบรูปประพบอรูปรรประพบบ้างแล้วก็เอาสองสามคำนี้ด้วยมาใช้อธิบายประกอบกับที่จะขยายชาติในเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพ มันมีธรรมะมันมีความเข้าใจมันมีความจริงที่เราจะพึงบรรยายบอกกันเรียนรู้กันเพราะเราเรียนถึงปรมัทิต์มาแล้วเพราะในปรมัทิต์นี้มันมีกามมันมีรูปมันมีอรูปได้ในปรมัทตย์ในจิตเจตสิกเรานีมีกามเป็นพบในจิตมีกามมาพบในจิตมีรูปประพบในจิตมีอรูปประพบในจิต ได้งงไหมรู้บ้างไปแล้พูดถึงแต่คำเนี้ยอารมณ์กามที่มันเกิดในจิตเป็นพบขึ้นมาแล้วอารมณ์รูปอารม์ารูปมันเป็นอารมณ์อย่างไรขนาดไหนเรียกว่ารูปขนาดไหนเรียกว่าอารูปขนาดไหนเรียกว่ากามรูปประพบอรูปพบน่ยอาตมาก็เคยแยกวิเคราะห์ ากามเนี่ยนะอาศัยทางนอกมากมากเราก็เรียกว่ากามชัดๆตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามมาคุณท่าตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามมคุณท่าถ้ากะตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปหลงในรถอัสาทะ <c oughs> ลงเป็นรถอร่อย อร่อยด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นมาสัมผัสนอกธรรมปสิทธิ์เรียกในภาษาเรืรเร่อว่าโพธพาโพธพรมโพธารมแล้วเราก็ไปเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดทุกข์นั่นเรียกว่าเป็นพบขึ้นมาในกามมพบที่ถ้าบอกว่าเราเองเราล้างเราลด อร่อยรสอร่อยหรือว่าย้อนไปถึงตัณหาด้วยจับตัวตัณหาอุปาทานได้จริงอย่าว่าจะตัณหาอุปาทานล่ยไปถึงเวทนาเราเรียนไปแล้วปฏิจสมุปบาทนี่ไล่ไปนู่นแหล ะ, ะจนกระทั่งถึง น, นี่ พอเวลาท่านมาย้อนตรงนี้นี่แม้แต่เวทนาก็าไม่มีนะอันเนี้ยมันคือไม่ครบมันนะเพราะฉะนั้นจะให้ครบครบมันก็ควรจะมีหมดนั่นแหละเวลาพูดเหมือนกันอนะอัตมาอธิบายบางทีอัตมา ก, ก็ไม่ได้ไล่หมดนในหัวข้อในอะไรนี่ก็เหมือนกันเวลาท่านตรัสพระพุทธเจ้าท่านตรัสตรัสไปก็ล่าไว้ในฐานที่เข้าใจบ้างนี่ท่านตรัสเอดันแรกนี่มานี่มีตัณหามีเวทนามีผัสสะนะอ่ามีอุปทานมีตัณหามีเวทนามีผัสสะ เราก็ไล่ไปหมดละอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะเราก็เคยไล่ไปหมดนะมีผัสสะและนีทันบนก็มาหานามรูปซึ่งเราก็ไล่ไปนอกจากผัสสะแล้วก็ไล่อสลา ย, รยตรนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นทวานที่จะรับผัสสะนะแล้วก็มีเหตุที่เป็นตัวเหตุตั้งแต่ข้างนอกที่มันจะมากระทบตาให้เกิดรูปกระทบหูให้เกิดเสียงกระทบจมูกให้เกิดกลิน่น ไล่ไปจนกระทั่งเราไล่ไปถึงขนาดนั้นเราก็เข้าใจมีความเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วนี่ไม่มีมีผัสสะมีมีเวทนาผัสสะเวทนานามรูปมีแต่ว่าไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาอ๋อมีตัณหาอุปทานอยู่ข้างหลังเวทนามผัสสะเวทนา จึงเกิดปัจจะปัสจะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาจึงเกิดตัณหาตัณหาจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานจึงเกิดเพรา ะ, ร ะ, <c oughs> ะมันขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆมันเป็นการเสริมความละเอียดละ อ, อีขึ้นไปนั่นแหละ <c oughs> พวกเราก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันปฏิจจสมุปบาทต่ทางๆมันโยมันเกี่ยวกันยังไงนะผู้ที่เรียนติดตามมาเข้าใจมาดีๆใครเข้าใจมาไม่ดีมันก็กระพร่องกระแพงไปตามภูมิใครจะว่าไงก็ จะเป็นยังไงก็ติดตามดีๆ อ, อัตมาจะขยายความนี้เนี่ยมันจะเห็นสภาพของภาษาธรรมแล้วเราก็ติดตามจริงๆว่าเราเข้าใจเป็นภาษาธรรมกับที่เราเข้าใจเป็นภาษาคนภาษาคนพอบอกว่ากามาภพคนเขาก็ายังไม่เคยรู้เท่าไรหรอกถ้าเพราะว่าเขาไม่รู้ธรรมะพอเขารู้ธรรมะอย่างพวกเรารู้ธรรมานิกายมาภพเราก็รู้แล้วว่ากาเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส พอเป็นรูปประพบป็นรู ป, ป, ประพเรียกว่าเทพนะเรียกว่าเทพเรียกว่าคนทันเรียกว่ายัดเรียกว่าพูดขยายความพวกนี้ก่อนอามาถึงมนุษย์ซะก่อนนะอย่าเพิ่งไปถึงขั้นสัตว์สี่เท้าสัตว์ปักษีสัตว์เลื้อยคลานอย่าเพิ่งไปถึงพวกนั้นอ่า ทีนี้คนเข้าใจภาษาคนเขาเข้าใจบอกว่าสัตว์เลื้อยคลานเข้าใจได้นะสัตว์พวกปักศีสัตว์พวกสัตว์บินสัตว์นกเข้าใจได้สัตว์สีเท้าเข้าใจได้เรียกว่ามนุษย์เข้าใจได้ว่าเป็นตัวตนบุคคลพอเริ่มต้นมาบอกว่าพูดพูตตะก็คือวิญญาณแล้วนะเป็นสภาพ วิญญาณเป็นโอปปาติกะหรือวิญญาณภูตะเนี่ยนะก็ชักจะนึกละวิญญาณเพราะไปอุปทานเพราะไปยึดติดอยู่ว่าวิญญาณนี่คือสภาพที่มันเป็นตัวตนล่องลอยอยู่ข้างนอกเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าวิญญาณพูดเป็นยักษ์ก็นึกไปแล้วยักษ์มีเขี้ยวยักษ์ตาโตยักษ์ดุเป็นพวก ไปในทางร้ายนะจริงๆแล้วคำว่ายักษ์กับคำว่าคนทันเนี่ยมันก็คือสายของโทสะมูลก็สายของราคะมูลคนทันก็คือราคะมูลยักษ์ก็คือโทสะมูลพูดอย่างนี้คุณเข้าใจธรรมะขึ้นไหมนี่ท่านบอกพอมนุษย์แล้วก็มาพูดผู้ก็คือเริ่มเข้าหาจิตวิญญาณแล้ว เพื่อความเป็นพูดแห่งความแห่งพวกพูดก็คือเจ็ดวิญญาณในโอปปาติกะทีนี้เพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์ย้อนทวนขึ้นไปเนเพื่อความเป็นคนทันให่พวกคนทนันเพื่อความเป็นเทพแห่งเทพเราตัดคาว่าเทพไว้ก่อ น, นอธิบายยักษ์กับคนทันก่อนยักษ์กับคนทันก็คืออย่างที่กล่าวแล้วคนทันก็คือพวกเสพราคะนะ จะมีนิทานเป็นเรื่องราวคนทันกับนางกากีเสพสมสุขสมอะไรก็เป็นพวกราคะเป็นพวกเสพราคะการมาราคะถ้าการมราคะยากกว่าเรื่องของผู้หญิงผู้ชายถ้าราคะหรือกามในระดับกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็นั่นแหละเสพสมสุขสมก็เรื่องคนทันทั้งนั้นสายรราคะมูลส่วนยักษ์นั่นก็คือพวกสายโทสะมูลทั้งหมด สายโทสะมูลมันจะเป็นโทสะมูลอย่างไรจะไรจะมีนิทานยักษ์สารพัดสารเพอะไรนิทานเรื่องไหนมั่งก็แล้วแต่ก็คือข่าแกงอาฆาตมาร้ายทําลายอะไรกันโกรธเคืองไม่ชอบใจหรือเป็นรสติดสมใจในทางที่แก่แค้นอาฆาตโทสะได้แสดงออกถึงความรุนแรงทําร้ายทําทุกข์ทำเจ็บทําปวดทําอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพวกยักษ์เป็น้ายโทสะมูล เพราะดยนามโดยธรรมะภาษาธรรมก็หมายถึงจิตวิญญาณไม่ใช่แทงก่อนแล้วจิตวิญญาณก็คือเราเรียกสภาพรูปภปพอรูปภพเพราะถ้าเรียกว่ากามในภพก็คือราคะที่มันยังเหลืออยู่ในในในจิตเห็นชัดรู้ชัดก็เรียกว่ารูป รู้ไม่ชัดไม่เป็นเนื้อเป็นตัวไม่เป็นรูประมยะอัตฐาเป็นแค่อรูปะมยอัตฐาเป็นแค่อรูปเป็นตัวตนที่อันเป็นเรานั่นแหละรูประมยะอันเป็นเรารูประมยะอัตฐาเป็นเราในความรู้เรารู้เราก็พยายามเข้าใจให้ได้ว่าเอออันนี้มันเป็นแค่รูปนี่เป็นแค่อรูปแต่รูปหรืออรู ป, ร ป, รปนั่นแหละ ในจิตของเราคือมโนเราปั้นขึ้นมาหรือเราลงมันเรามีอุปทานเรามีตัณหาเรามีอวิชชาเราไม่รู้พอมันเกิดมาเป็นรูปเป็นรสอะไรก็แล้วแต่ที่ในจิตแล้วก็เสพเป็นรสก็เรียกว่ามโนโมยอัตตาปั้นขึ้นมาเสพเป็นอารมณ์เพราะงั้นเราวิเคราะห์ไม่ออกอยู่ในจิตมโนโมยอัตตาเป็นอารมณ์สภาพเสพ ไม่ได้ชื่อว่าไม่ได้แบ่งเป็นรูปแต่แบ่งเป็นนามมโนแบ่งเป็นนามรูปรูปปัจมยอตาอรูปปัจมยอัตาแบ่งเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันจำมันรู้ว่าหยาบมันก็เป็นรูปปัจมยอัตารู้ในสภาพละ เ, เอียดไปอีกไม่หยาบ ก, ก็เรียกว่าอรูปปัจมยอัตาคุณจะซ่อนกี่ชั้นก็ตามใจคุณเพราะสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปปัจมยอตาอันเป็นเราเราก็คือเราย่างรู้ในรูรูปภพ ้ามันเหลือน้อยหรือเดือละเอียดลงไปอีกเราไม่เรียกมันว่ารูปแล้วเราก็เรียกมันว่าอารูปเพราะฉะนั้นจะเป็นสภาพที่มันยังเสพยังติดอยู่เท่าใดก็แล้วแต่และยังเสพถือว่าเป็นราคะท้งนั้นเพราะฉะนั้นในฐานของพระอนาคามีมีรู ป, ร, ปรูปราคะสังโยกสังโยชน อรูปราคะสังโยชน์ก็คือเหลือสิ่งที่เรายังระเริงเรายังเศษเรายังหลงอยู่อาจจะไม่หยาบเหมือนกามาราคะสังโยชน์ทีเดียวหรือจะเป็นส่วนที่ไม่สบายใจก็ตามมันก็เหลือนิดเหลือ น, น้อยนะไม่เรียกว่าปฏิฆะสังโยชน์แล้วแต่มันจะเป็นอรารติมันจะเป็น ความไม่ชอบใจขนาดเบาบางอย่างไรเหลือเศษอยู่ก็คือสภาพที่อยู่ในภพที่เรียกว่ารูปภพบอรูปภพภพสมใจของเรานั่นแหละราคานี่คือคำว่าเศพจริงๆแล้วถ้าเผราะว่าเราเป็นผู้ที่เข้าใจที่อาตมาอธิบายมามากแล้ว ว่าในสายของความไม่ชอบใจในสายของโท่สะมูลตัดแล้วก็ล้างให้หมดเพราะมันเป็นตัวทุกแท้ความไม่ชอบใจเนี้ล้างได้ก่อนเพราะแม่คุณจะล้างได้จนหมดมันน่าจะถือว่าล้างจนหมดกว่าจะตัดเคบตัดรอบว่าเราจะขึ้นไปสู่อนนาคามีภูมิ เหลือรูปราคาอรูปราคะมันน่าจะเหลือลักษณะของความต้องการความต้องการนี้เราจะเรียกว่าตัณหาอัตมาอธิบายตัณหาวิภาวะตัณหาให้ฟังเลยว่าตัณหาอุดมการณ์ตัณหาในเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่ออัตตามันไม่เป็นเรานะมโนมยะอันเป็นเราก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นเพื่อปลมเรออัตตาเพราะฉะนั้นมโนมยะรู้ว่าจิต อันเป็นเราที่เป็นจิตของเราเนี่ยเราจะสังขารเราจะปรุงเราจะอะไรมันล้วนแต่เป็นความลึกซึ้งของสังขารเป็นวิสังขารหรือปุญญาพิสังขารถ้าจะปรุงปุงสังขารคือปรุงคือแต่งคือให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นไปเพื่อการขัดเกลาตัวเองก็เป็นวิสังขารที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารคือปรุงอย่างวิเศษปรุงอย่างเหนือชั้นกว่าปกติสามัญมนุษย์หรือปุถุชน มนุปุโรน์ก็ปรุงมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยอวิชชามีอวิชชาปรุงไม่รู้มนันก็ปรุงมาเพื่อกิเลสสั่งสมกองกิเลสแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อสั่งสมกองกิเลสแต่เป็นไปเพื่อละล้างกองกิเลสสิ่งอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นภัยเป็นพิษจึงถือว่าวิสังขารที่เป็นปุญญาพิสังขารเป็นสังขารที่ปรุงมาเพื่อขัดเกลวเพื่อชาระปุญญเนี่ยระขัดเกลว ขัดกลอกิเลสเราได้ปรุงมาเพื่อขัดเกากิเลสเราได้นั่นแหละปุญญาพิสังขารเพราะการปรุงก็ดีการมีตัณหาก็ดีถ้าเข้าใจในธรรมะแล้วตัณหาวิภพวตัณหาตมาก็อธิบายมามากสําหรับพวกเราว่าเป็นตัณหาเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความยิ่งยอดเป็นไปเพื่อถ้าแม้ว่าจะเรียกว่าสังขารมันก็สังขารอย่างวิสังขารหรือปุญญาพิสังขารสังขารอย่างวิเศษ เราเรียนรู้ไปแล้วเราก็พิสูจน์ความจริงพวกนี้ไปเรามาถึงในระดับลึกในระดับสูงแล้วภาษามันก็วนเวียนมาซ้าสังขารก็ซ้าตัณหาก็ซ้าแต่สังขารหรือตัณหานั้นก็เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นกิริยาของจิตจิตมันวิจิตจิตมันแก่งจิตมันวิเศษเราฆ่ากิเลสได้ละล้ลางกิเลสได้ตัวเหตุสาคัญ เมื่อล้างกิเลสได้จริงๆโดยเฉพาะในสายโสาทสะโมนังที่กล่าวแล้วล้างละเอียดหมดก่อนจนไม่มีความขัดเคืองอึดอัดใจอะไรทังไรก็ไม่มีมีแต่ความเบิกบานร่าเริงยินดีถ้ายินดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกว่าความไม่ยินดีนี่ไม่ต้องอาศัยเลยได้นะรู้แต่ว่าไม่ดีเท่า น, นั้นก็พอแล้ว รู้แต่ว่าไม่ดีนไม่ต้องไปมีอาการอารมณ์ว่าไม่ยินดีไม่ชอบพลักรู้แต่ว่าไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วก็ทัพ์สภาพอย่างนั้นไม่ดีในเรามีไหมเมื่อไม่ดีนั้นไม่มีในเราแล้วเรียบร้อยหมดก็จบคนอื่นจะมีเรามีมีมมอภิญญา สามารถรู้เอออันนี้มันมีที่เขานะมันไม่ดีอันนี้ไม่ดีที่เขาเราก็ไม่ต้องไปชังเขาล้วก็ไม่ต้องไปชังตัวไม่ดีเหล่านั้นเราไม่มีเกิดจบมันไม่มีมันไม่ดีอยู่ที่เขาก็คือเขามีเมื่อเราไม่ชังเขาเราก็ช่วยเขาให้ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีนี้ด้วยด้วยความรู้มันก็ไม่ผลักอะไรกัน แต่ถ้าผู้ใดเผินผู้ใดที่เรียกว่าไม่ละเอียดไม่แยบคายไม่โยนิโสเขามีความไม่ดีนี้ก็ไปเพ่งโทษเขาก็ไปชังเขาก็ไปไม่ชอบใจขึ้นมาในจิตใจตัวเองตัวเองก็เอาความไม่ชอบใจเข้ามาใส่ตัวเองอีกอ่ะ ว, วนอยู่อย่างนี้อ่ะมันไม่ง่ายนะแล้วก็เพ้อวนแล้วก็เสร็จแล้วก็หนักเข้าไม่ชอบใจเอามากๆก็ชักปฐุละชักจะรุนแรงชักจะต้องหาทาง อะไรอะไรซึ่งจะเกิดความซับซ้อนที่จะกลายเป็นผู้ทําลายล้างเป็นผู้ทําลายล้างกันและกันไปนะมันก็จะเกิดทะเลาะเบาแวงแต่ถ้าเผือว่าเราเจตนาจริงแล้วก็จะประมาณว่าเราจะช่วยกันยังไงเราช่วยไม่ได้ก็จะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้นั้นผู้นี้การให้ข้อมูลแก่ผู้นั้นพนู้นี้ผู้นี้อย่างพอเหมาะที่จะไปช่วยกันได้เรียกว่าการช่วยกันด้วยด้วยความประมาณที่พอดี แต่ถ้าบอกว่าการให้ข้อมูลแย่ใครๆก็เล่าเปลอะไปหมดเลยพูดไปดีไม่ดีไปพูดเข้ากับศัตรูอีกฝั่งหนึ่งด้วยพูดที่ไม่ได้ประมาณอย่างนี้แหละเรียกว่าสอเสียดเอาความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งไปเล่าให้อีกฝั่งหนึ่งฟังแล้วก็เอาความไม่ดีของอีกฝ่งหนึ่งมาเล่าให้อีกฝั่งหนึ่งฟังจะเป็นฝั่งนี้ก็พูดให้มันชัดๆแม้ไม่เป็นฝั่งนะเป็นเล่าให้คนที่ไม่ควรจะเล่า ใ่ใจลึกๆมันจะซ้อนนะซ้อนว่าเอะเราเล่าให้คนนี้ดีสะใจดีคนนี้มันไม่ชอบคนนี้อยู่ดีเล่าให้มันฟังมันจะได้ไม่ชอบใจด้วยแล้วมันจะได้เป็นพวกเราเพราะลึกๆเราเองเรายังชังคนนี้เห็นว่าคนนี้เป็นคนล ะ, นละพวกกับเราเนี่ยมันซ้อนลึกซึ่งมันจะรู้ตัวไม่ได้ไง่ายๆนะหนึ่งมันอยากหาพวกสองมันอยากจะได้ประจานเขาให้สะใจ น, นี่เป็นหลักๆพวกนี้เราต้องอ่านใจของเราเลยว่าเรามีอาการเบียดเบียนหรืออาการไม่ดีไม่งามพวกนี้ในใจแค่ไหนต้องลึกซึ้งซับซ้อนเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะพูดจะเอาความไม่ดีของใครมาพูดเนี่ยจะบอกกับใครหรือจะมาประจาน <c oughs> กล่าวในวงกลางๆนี่อย่างอธตมาเอามาอธิบายเอามาพูดเอามาประจานเนี่ย มันสะใจเรามันได้ประจานเขามันได้กล่าวสอเสียดเพื่อให้คนอื่นได้ไปชิงชังคนนี้เราต้องประมาณถ้าพูดไปแล้วคนจะชิงชังคนนี้ถ้าไปชิงชังมากๆแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขกันล่ะคนนั้นจะถูกบีบคั้นเพราะเมื่อนคนฟังแล้วว่าเอ้ยคนนี้ไม่ดีอย่างงี้ยั ง, ยงพวกเราก็จะเกิดความไม่ชอบโดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่พราะอารหันนะ จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่พอไม่ชอบก็น่าจะเป็นภาวะธรรมชาติจะบีบคั้นบีบคั้นแล้วคนนั้นถูกพวกนี้เมื่อไม่ชอบใจมันก็จะมีกิริยาท่าทีหมดเลยแหละดีไม่ดีก็ไปซัดโดยตรงเลยพอบอกไม่ดีก็ไปซัดเลยทําไมจะต้องทําอย่างงี้อยู่อย่างนี้จะทํานี้ได้เหรอทำอยู่ที่นี่ก็ต้องทําให้ดีทําไม่ดีอย่างงี้ใช้ได้หรือไม่ก็ต้องออกไปอะไรนี่ซัดคนไหนที่มันไวๆแรงๆเป็นใครเคยมั่งละ่ะ พอได้รับคำกล่าวคำตำหนิอย่างนี้ปับ๊บเราก็ต่อเรื่องเลยนะเป็นทหารเอกนะพอได้รับสาปปับ๊บแหมถือทวนไปเลยซัดเลยแทงไม่ยั่งเลยก็มีไม่แทงไม่ยั่งเลยค่อยๆได้โอกาสค่อยแทงได้โอกาสค่อยแทงก็มีบางคนแทงทุกอย่างแทงด้วยจิิยาการปากหอกบางคนก็แทงด้วยแค่สายตา แทงใน ก, กิริยาแงงนายชิงชังพวกนี้นเกิดปฏิกิริยาจริงมีอิริบทจริงอยู่ในสังคมฟังรู้เรื่องไหมเคยทำมาแล้วด้วยมากบ้างน้อยบ้างนี่เราเรียนรู้ให้มันลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจให้มันดีๆว่าสังคมเราเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะว่าเราประมาณพวกนี้ จริงๆห้ามไม่ได้รอผู้ใดมีภูมิต่ําก็แสดงต่ําผู้ใดมีภูมิสูงก็แสดงสูงตามจริงพระผู้ใดสังวรเป็นระมัดระวังเป็นระมัดกิริยาท่าทีว่าเราอย่าแหม่พอท่านประจานให้ฟังหน่อยจริงนะ่ะประจานนี่ก็เป็นวิธีการเหมือนกันของสังคมเพื่อให้รู้สึกตัวเจ้าตัวก็จะทนได้ไหมนอกจากเจ้าตัวทนได้ไหมแล้วมันจะมีผลกระทบไปถึงคนอื่นจะเป็นทหารเอกด้วย เพราะงั้นเมื่อเกิดการประจานขึ้นมาเมื่อใดะระวังแต่และคนเนี่ยจะโดนทหารเอกต่างๆเนี่ยค่อยๆทำการต่อไปเพราะงั้นผู้ที่อยู่ได้จะอยู่ได้โดยทำทนได้โดยสองอย่างทนได้โดยความสำนึกแก้ไขปรับปรุงกับสองทนได้เพราะหน้าด้านถ้าทนได้เพราะหน้าด้านเนี่ยมันก็ไม่ดี ทนได้เพราะหนาด่านแต่ถ้าจะเรียกว่าทนได้เพราะอดทนเราก็ควรมีสำนึกอดทนอดทนจริงๆเลยนะโอ้โหทนก็ให้มันด่านมันแข็งนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะต้องมีสำนึกแต่ถ้าคนใดทนได้โดยไม่มีสำนึกก็เรียกว่ากระด้างแข็งกระด้างเรียกภาษาไทยชใชๆก็คือหนาด่ า, ดานหนาทนต่อไปนั่นเองอัลัชีไม่มียางอาย าอาลัทธีไม่มีความอายไม่มีฮิริไม่มีโอตปะเพราะเวลากล่าวความไม่ดีอะไรขึ้นมาประจานความไม่ดีอะไรขึ้นมาจะมีตัวจริงหรือไม่มีตัวจริงก็ตามบางทีไม่มีสภาวะของคนคนเดียวแต่หลายๆคนรวมกันแล้วก็เอามาปั้นเป็นเรื่องเป็นรูปอธิบายออกไปว่าความไม่ดีลักษณะนี้บางทีอาตมาก็ขยายความให้มันหยาบบางทีก็ไม่หยาบนัก ไม่หยาบเท่าที่เรามีจริงบางคนมีจริงหยาบแต่ว่ามาพูดแล้วมันมันหยาบมากก็ไม่พูดหมดก็ตามแต่รู้ว่าลักษณะที่เอามาตาหนินั้นเรื่องนั้นเป็นของราคะมูลหรือโทสะมูลหรือโมหะมูลก็แล้วแต่อย่างใดถ้ามันตรงกับของเราหยาบ ก, กลางละเอียดเท่าใดเท่าใ ด, าดก็แล้วแต่เป็นการบรรยายธรรมะเป็นการสอนธรรมะเราก็จับเอาของแต่ละคน แล้วก็มีฮิริโอตปะเกิดความสำนึกเกิดความละอายเกิดความเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดีไม่งามนี้แล้วก็สงวรระวังนั่นก็คือการศึกษาบรรยายก็บรรยายอยู่ในแวดวงอย่างนี้ทั้งนั้นแหละที่บรรยายอยู่ตลอดกาลนานเนี่ยมันจะเผื่อเราชี้ก็คือชี้คนทันกับชี้อยาก เป็นหลักโมหะแปลว่ามันหลงมันไม่รู้มันไม่รู้ตัวมันหลงผิดหนึ่งหลงผิดเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นถูกเลยหนึ่งหลงลืมที่ว่าลืมนี่ก็คือลืมตัวเองตัวเองมีหรือไม่มีไม่รู้ตั้งแต่เคยมีมาทุกคนถ้ามันยังไม่หมดนะนะมีมาทุกคนนั่นแหละเพราะก็คืออาตมาแป ล, แปลโมหะขยายโมหะเอาไว้หนึ่งหลงลืมสองหลงผิดสามหลงไหล สหลงหลัวห้าหลงตัวหลงอัตตานี่เติมเป็น5ตัวตัวที่5คืออัตตานี่เป็นอัตตาตัวอาศัยเช่นว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังมีอัตตาที่เป็นอรหัตตาที่อาตมาใช้ภาษาอาตมาซึ่งทางป ร, ริยนเขาไม่ยอมรับหรอกเป็นตัวตนที่อาศัยซึ่งเราเหยุดเนื้อหยู่ตัวเนื้อตัวตนและความจริงคุณมาบอกคุณไม่มีตัวตัวตนใดไงในเมื่อคุณมีรูปนามขนาันธ์หน้ารูปนามขันธ์หน้าที่เป็น รูปนามขันธ์หน้าที่เหลือเป็นสัุปะทิเศษสก็คือเศษสักหรือส่วนเหลืออุปาธิอุปา ธ, ธิที่เรามีนี่แหละรูปนามขันธ์หน้านี่แหละคืออัตราที่เราอาศัยมันเป็นตัวตนให้เราอาศัยแต่เราเมื่อเราเป็นพระอาหารหันต์นะเราก็จะไม่หลงไหลได้เพราะจะไม่หลงยึดว่าแม้รูปก็เป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญญาก็เป็นเราสังขาร ก, ก็เป็นเราสัง วิญญาณก็เป็นเราเราจะไม่ยึดติดอย่างนั้นพระอาหารหันจะไม่ยึดติดแล้วจะมีปัญญารู้ระวางได้ชัดเจนจริงแต่พร้อมกันนั้นแล้วพระอาหารหันที่ยังไม่ตายมันมีหรือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีหรือไม่มีมีมันก็เป็นตนเป็นตัวเราแต่เราไม่ได้ยึดว่าเราเป็นเราไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราได้จริงความได้ก็คือความได้ของพระอาหารหันผู้ไม่ได้ก็คือไม่ได้หลงก็ได้หลงอีกนั่นแหละ หลงซ้อนหลงอัตตก็ได้หลงว่าเรารึกว่าเราไม่มีอัตตาแต่เราก็มีอยู่เรายังวางไม่สนิทเรายังวางไม่เป็นหรือเรายังวางไม่เด็ดขาดจริงๆนะเพรา <Yeah. S 1> ะในสภาพโมหะที่อาตมาขยายหลงลืมก็คือมันนึกไม่ออกบุพเพนิวานุสติเวนิวาสาไม่ออกย้อนไม่ได้ทั้งที่เคยผ่านเคยเป็นเคยมีก็ตามก็คือหลงลืมจริงๆ เพราะถ้าะระลึกได้ก็เอามาไล่เลียงสิเมื่อะระลึกได้ไล่เลียงแล้วอ่ะมันหลงผิดหรือเปล่าเมื่อไม่หลงลืมละระลึกได้เอ้จําจได้และเมื่อใดเมื่อนี้หรือปัจจุบันก็คือปัจจุบันอนาคตมันยังไม่มีอ่ะมันมีก็อดีตฉะนันนทีจะเอามาะระลึกเมื่อไม่ะระลึกอดีตก็ปัจจุบันเมื่อปัจจุบันก็ได้รู้มันชัดเจนว่ามันผิดหรือไม่ผิดมันเห็นดอกบัวเป็น ก, นกงจักเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด เห็นดีเป็นชั่วเห็นดีกว่าเป็นต่ํากว่าเห็นไอ้ดีกับดีกว่าเท่ากันมันก็ผิดเมื่อไมย์ระลึกอดีตกับปัจจุบันเมื่อปัจจุบันก็ได้รู้มันชัดเจนว่ามันผิดหรือไม่ผิดมันเห็นดอกบัวเป็นกงจักเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นดีกว่าเป็นต่ํากว่าเห็นไอ้ดีกับดีกว่า เท่ากันมันก็ผิด เ, เห็นดีกว่าตํากว่าก็ผิดเห็นดีกว่าเท่ากันก็ผิดเห็นดีกว่าไม่ใช่ดีกว่า ต, ตามขนาดตามัมนมันเพี้ยนมันมั น, ม, นมันไม่อยู่ในระดับของมันมันก็ผิดก็เพี้ยนทั้งนั้นเพราะงั้นโยนิโสมนสิการต้องแยกคายต้องถ่องแท้ในสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอาการอารมณ์เมื่อเราจับได้แล้วว่าไม่หลงผิด อานวิจัยมีทำรรวิจัยสัมโพธิชงไปตัวสําคัญแล้วมันก็ต้องเทียบต้องเคียงทั้งนั้นแหละสัญญาต้องกําหนดรู้เทียบเคียงหมดวินิจฉัยเมื่อไม่ลงผิดแล้วเราก็ลดละแยกวิเคราะห์ออกว่าไอ้นีแ้แหละตัวการไอ้นี้หละยักไอ้นีแ่แหละคนทำพอบอกถึงขนาดนี้อธิบายลักษณะของจิตวิญญาณอารมณ์ของจิตวิญญาณมาขนาดนี้แล้วรู้จักคนทันขึ้นเพิ่มขึ้นไหมไหนอยู่ไหน อ่ไหนคนทันอยู่ไหน อ, อ่อยูน่นั่งอยู่ในนี้ยังมีคนทันอยู่ท้งนั้นนะ จ, จะระลึกระเริงแค่ไหนกันแล้วแต่ระเริงในราคาระเริงในกามอ่ารู้จักยักษ์ไหมอยู่ไหนนั่งอยู่นี้่ยักษ์ใหญ่ยักษ์น้อย อ, อ่าแผ่เมตตาไม่ให้ใคร เขาเคยสวดกันมีบทสวดมันก็ผิดไอ้ที่จะแผ่ไปทำไมแล้วเอาที่เราเนี่ยจับตัวให้มันคันให้ตายคนทันมันก็อยู่กับเราไอ้ยับมันก็อยู่กับเรานี่แหละนี่เป็นธรรมะนะเป็นธรรมในธรรมเป็นธรรมถ้ามันเป็นแค่ปุคลาธิฐานเป็นอะไรก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานเป็นอะไรไปได้อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นในเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยอาตมาก็อธิบายย้อนลงไปว่า พอพูดไปถึงขนาดนี้แล้วนี่จะนึกถึงเหตุได้ไหมเหตุก็คือตัวคนทันหรือตัวรถอร่อยหรือตัวยักษ์ที่ในจิตใจนั่นแหละมันจะมีนิทานมาแค่ไหนเรื่องราวถ้าเผื่อว่าคุณบุเพนิวาสาคนระลึกได้ว่าโอ้ยไอ้นี่ไปสั่งสมมาแต่เมื่อ น, นั้นเมื่อนีสั่งสมมาตั้งแต่เรื่องของทางสายราค้าทางสายคนทันหรือสายยักษ์สายโมสายโทรศัมันมาตั้งแต่เมื่ อ, อไรเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวนี้เรา เราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยออกออกไปในทางไหนมากบางคนก็มีเลือดยักษ์มากแน่เชื้อเผ่าพันยักษ์มา ก, กับตัวเราเยอะบางคนก็มีเชื้อทนทันมาเยอ ะ, อะบางคนแยกไม่ออกมันมีมากทั้งคู่เหืนเถอะโอ้โหเชื้อคนทันเราก็เยอะเชื้อยักษ์เราก็มาก จนก็ะทั่งเทียบไม่ได้ยังช่างไม่ได้เลยว่าอันไห น, ม, นมันมันมันน้อยกว่ากันเพราะมันมากทั้งสองอย่างก็ค่อยๆไล่ไปทําไปลดลงไปให้ชัดๆเ น, นี่ยตอนนี้ก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เข้าใจทําในธรรมขึ้นมาเชื่อไหมนี่ที่อาตมาพูดนี่เชื่อไหมนี่เป็นภาษ า, ษาธรรมะถ้าเราจะเห็นจริงอย่างนี้คุณพิสูจน์เลยท้าทายพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวคุณก็ดับคนทันหมดดับยักษ์หมดได้น เอาทีนี้ย้อนคือไปหาเทพเทพในภาษาของไม่ใช่สมมุติเทพแต่เป็นอุปัติเทพเทพที่เกิดนะถ้าเป็นสมมุติเทพก็คือคนทันเป็นเทพถ้าเมื่อคนทันนั้นได้เสพสมใจได้เสพสมใจ ในสุขเสพสมใจในราคะเสพสมใจในโทระก็เป็นสมมุติเทพทั้งนั้นอยากจะฆ่าเจ้าอยากจะทําลายอยากจะทำลา ย, อย า, ายอยากจะเบียดเบียนก็ได้เบียดเบียนเขาสมใจจะเบียดเบียนขนาดไหนก็แล้วแต่ก็เป็นยักษ์เป็นคนทันสมนใจเป็นเทพถ้าจะอธิบายซ่อนก็เป็นเทพแต่เป็นสมมุติเทพนะ อะไรนะสมมติติเทพได้ยักษ์ก็เป็นสมมติติเทพคนทันก็เป็นสมมติติเทพคือเสพสมสุขสมในราคะโทสะเสพสมสุขสมในราคะโทสะก็เป็นสมมติติเทพเป็นโลกียรถโลกียรมเป็นโดยอัตโนมัติเป็นตั้งแต่คุณไม่เคยเรียนธรรมะจะเอาภาษาคำว่าเทพมาเรียกก็คือสมมติติเทพแล้วก็หลงอยู่ในโลกียรมโลกียรถนี่แหละ เทพสมสุขสมในความเป็นคนทันในความเป็นยักษ์นี่แหละเพราะงั้นก็จึงเป็นเทพสมมุติซึ่งคนทุกคนก็รู้กันทั่วไปแต่ไม่รู้เพราะอาวิชชาไม่เรียนเมื่อไม่เรียนก็ไม่รู้โดยความจริงเป็นอวิชชาอยู่อย่างนั้นแต่เป็นเทพปลอมเป็นสมมุติเทพนั่นมีทั้งนั้นนี่นั่งอย่ น, น, น, นี้เคยเป็นทั้งนั้นทเท ว, วดาทเท ว, วดาหอหอ่อขึ้นสวรรค์หอหอ สมใจในความโกรธสมใจในความโลภสมใจในราคะด้วยใครใครไม่เคยเป็นไม่เคยเลยไม่เคยเป็นเทวดายังไม่เคยเป็นยักษ์แบบนี้ใครไม่เคยสมใจในโกรธสมใจในโลภแล้วก็สุขมันพอใจมันเสพรถสั่งสมลงไปเป็นสมุติเทพเพราะคําว่าเทพคํานี้มิได้มีมิได้มีเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพท่านขึ้นไว้ก่อนเทพอันนี้จึงเป็น อุปติเทพไปจนตั้งถึงวิสุทธิเทพเทพก็มีสามอย่างเราก็เคยฟังมาแล้วก็เคยเรียนมาหนักการมานอุปติเทพก็คือเกิดใหม่เกิดในโลกโล ก, กุตระไม่ใช่ไปเป็นโลกโลกิยะเพราะฉะนั้นเกิดอยู่ในโลกิยะก็คืออวิชชาที่ไม่รู้แม้คุณจะได้ศึกษาโลกุกตรภูมิมาแล้วศึกษาในความเกิดใหม่ไม่เป็นไปนชาติอย่างงดแต่จะมา ชาติใหม่มาเกิดชาติเป็นพุทธชาติชาติโลกุตระจะเรียกว่าชาติก็ได้ถ้าไม่เรียกว่าชาติก็เรียกว่าอุบัติอุบัติก็แปลว่าเกิดอุบัติก็แปลว่าเกิดชาติก็แปลว่าเกิดแต่เนี้ยเราไม่เรียกชาติแต่ตอนนี้มันจะซ้ำภาษาก็มาเรียกว่าอุบัติเกิดหรือตายตายคืออะไรตายก็คือให้มันเป็นให้ คนทันอาการคนทันนั้นตายจากจิตอาการของยักษ์ตายจากจิตอาการของคนทันอาการของยักษ์ตายแล้วตายลงก็คือเราเกิดเป็นเทพใหม่เป็นอุปัติเทพตายยังไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าอุปัตขึ้นในเรื่อยตามลำดับเกิดขึ้นมาตามลำดับอุปัติเทพเป็นเทพที่โตที่เทพที่เจเริญขึ้นมาเรื่อยเจนกระทั่งสมบูรณ์วิสุทธิสะอาดบริสุทธิ์ เรว่าไอ้ที่ให้ตายตา ย, ตายสนิทรถอัส า, าทะของคนทันหรือรถโกรธเทสะมลนยาตรางละเอียดตายสนิทวิสุทธิบริสุทธิ์เป็นเทพที่มีความตายเพราะกิเลสปัญหาอุปทานเหล่านั้นตายสนิทเมื่อตายสนิทก็เกิดสนิทตัวชนิด ที่ไม่มีความเป็นคนทันไม่มีความเป็นยักษ์ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานจิตถ้าอธิบายตามที่เคยอธิบายมามากมายแล้วแม้ผัสสะก็รู้ตามจริงของผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็รู้รูปก็รู้รูปว่าผัสสะรูปก็รู้แดงเขียวน้ำเงินแสงเสียงสีอะไรก็รู้ตามจริง มีปัสารู้ตามจริงแต่เวทนาก็รู้ไายละเอียดไปจนกระทั่งเวทนา3เวทนา2เวทนา3เวทนา2คือเวทนากายกับเวทนาจิตเวทนาสาก็คือเวทนาทุกสุขอุเบกทุกสุขอทุกรมสุขจนกระทั่งไล่ห้าทุกขินสสุขกินสทมมนัสสินสีโสมนัสจนกระทั่งถึง6อาจากอายตนะจนกระั่งถึง18ทุกสุขอุเบกขากับ อยายตนะ6เป็น18จนกระทั่งถึง36แยกออกเป็นเคหสิตะกับเนคขมะสิบแแนี่ยแยกเป็นสองสายก็เป็น36จาก36มาทบทวนไล่เรียงไปหมดเลยต้องเปรียบต้องเทียบกับอดีตมีการะระลึกย้อนทบทวนราลึกไม่ได้กับระลึกชาตินี้ทบทวนอนดีตปัจจุบัน อดีตกับปัจจุบันจะทำให้เราเข้เขาใจอนาคตเมื่อมันไม่มีเกิดในอดีตไม่มีเกิดในปัจจุบันในอนาคตจะมีเกิดไหมชาติจะมีไหมเมื่ออดีตก็ไม่มีชาติรับถอยลงไปได้เท่าไหร่ก็ถอ ย, ถอ ย, ถอยทบทวนให้ชัดเจนเลยว่านี่แหละแม้แต่รถเก่าๆในพบในรูปรพบในอรูปรพบก็สามารถที่จะพยายามอ่านรู้แม้กระทั่งมัน กระทบสัมผัสเหตุปัจจัยที่มีภสษาเป็นปัจจัยเพราะปฏิบัติมักองแปดคิดก็ดีพูดก็ดีการการกระทําก็ดีการงานก็นดีสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมก็ดีนี่แหละตัวสาคัญนี่มันจะก่อให้กระแทกกระเทือนให้อนุสัยอาสวะมันขึ้นมา มาเห็นเป็นปัจจุบันขึ้นสู่วิถีขึ้นมาเรื่อยๆจากลึกขึ้นมหาตื้นจนกระทั่งเราก็มีจิตแววไวมุทุภูต ธ, ธ, ธาตุสามารถอ่านทันจับทันแล้วก็มีวิธีฆ่ามันทันมันจะเหลือน้อยเหลือเล็กเป็นอรูปราคะเท่าไรเท่าไหรเท่าไ ร, าไรหรือจะเกิดซ้อนเป็นมานะกดซ้อนฆ่าอุปกิเลศซ้อนลงไปอีกจนกระทั่งเลือผิวเหลือฝอยเหลือดอ อ, อุทธจักรเลือดลอยออกมาขนาดไหน ฟูออกมาขนาดไหนก็จับความละเอียดละอเหล่านั้นได้หมดดับได้สนิทหมดฆ่าตายหมดเกลี้ยงหมดเพราะหมดเพราะตายหมดจึงเกิดหมดเพราะตายเสด็จจึงเกิดเป็นวิสุทธิเทพสมบูรณ์แบบจิตเป็นอุเบกขาจริงๆแม้ในอุเบกขาเองก็เป็นอุปท า, านได้ ยึดติดได้ลงได้เป็นอัตตาได้เราก็รู้ว่าฐานอาศัยอุเบกขาฐานนี้เป็นฐานอาศัยเท่านั้นไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นฐานกลางกลางเป็นฐานบริสุทธิ์บริสุทธาประโยธทาตามุทุกรรมัญญาประพัฒสราเพื่อใช้เป็นการงานเป็นกรรมนิยะหรือกรรมัญญาในมนุษย์ชาติเท่านั้นเองจิตวิญญาณนี้ในอุเบกขาก็อธิบายองค์ธรรมถึงห้าก็มีคุณลักษณะบริสุทธ ปริโยธาตะกแล้วก็มีคุณลักษณะมุทุจิตที่ไหวแววไวคล่องแคล่วอ่อนดัดไปไม่มีติดไปยุดอะไรเราจะให้มันติดก็ติดได้นะจะให้มันแข็งแรงก็แข็งแรงได้นะมุทุนี่หัวอ่อนจิตหัวอ่อนนี่ใช้ได้ทุกอย่างจะกำหนดให้มันเป็นอะไรมันก็เป็นได้มันเหมาะที่จะไปทำการงานอะไรได้เก่งเยี่ยมทำการงานอะไรก็วิเศษกรรมัญญะ และจิตนี้ก็ไม่มีหมนมองประพัสราผ่องแผ้วเบิกบานแจ่มใสรุ่งเรืองวาวาวาัวงช่ช่วงชัฏทวารบานตะไทย่ขยายความไปให้มันสนุกสนานเป็นอย่างนึ่งประพัสสอนประพัสรารุ่งเรือ ง, งวาววังมันคือมันไม่มีจิตหมองไม่มีมีแต่จิตเบิกบานใสโปร่ง ไปในทิศทางนี้อาการที่เราอาศัยก็คือลักษณะคุณลักษณะพวกนี้นะเพราะฉะนั้นในคําความที่ท่านเล่าเป็นภาษาพูดเป็นหัวข้อพระนบุรุจ้าตรัสขึ้นมาขยายความว่าเมื่อเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชารามารณะเพรา ะ, ะถ้าชาติไม่ได้มีแก่พบในไหนแล้วที่ว่าไม่ได้มีแต่พบในไหนก็คือไม่ได้มีเพื่อความเป็นเทพ ไม่ได้มีเพื่อความเป็นคนทันไม่ได้มีเพื่อความเป็นยักษ์ไม่ได้มีเพื่อความเป็นพูดพูดก็คือคารวมว่าคือจิตอินยานพอแยกมาเป็นยักษ์มันเป็นคนทันเขาขยายฟังแล้วเมื่อเป็นเทพก็เป็นอุปัติเทพอัตมาใช้หัวข้อเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราดับคนทันดับยักษ์ได้เราก็เกิดเป็นเทพแต่ถ้าเหลือความเป็นเทพคุณก็ยัง เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งตามที่เคยตัดพระพุทธเจ้าตัดสอนในเมถุนสังโยคเจเราไม่ได้เหลือไว้แค่แค่เราเป็นเทพเนี่ยของพระพุทธเจ้ามันสูงส่งกว่าศ า, าสนาที่มีเทวนิยมหรือเทพนิยมเ่ยศาสนาที่มีเทวนิยมก็ไปเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งสุดท้ายก็เป็นระเทพใหญ่ไ ป, ปรวมกับปรมาจตามันพระเจ้าแต่ของพระพุทธเจ้านั้นแม้แต่ความเป็นเทพนี้ก็ม่ได้มีเพื่อความเป็นเทพ ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้เรือความเป็นเทพนั้นรู้เท่าทันเทพนั้นละล้างเทพนั้นลดเทพนั้นลดอัตตามันไม่ยึดอัตตาเป็นเดาแต่อาศัยสุดท้ายแล้วพระอรหันต์เจ้ามีเทพหรือไม่มีเทพพระอรหันต์เจ้ามีเทพหรือไม่มีเทพเนี่ยเนี่ยยังไม่ชัดก็จะตอบอย่างเนี้ยถ้าเป็นอัตมาก็ก็ตอบว่า ไม่ตอบใดๆเพราะว่าทั้งมีและไม่มีเพราะกันจะทั้งมีและไม่มีเพราะพระอรหันเจ้าที่ยังไม่ตายนี่มีเทพแต่ไม่มีเทพเพราะท่านไม่ได้ยึดติดเป็นเราเป็นของเราแล้วจะทำได้จริงด้วยเพราะฉะนั้นพระอรหันเจ้าก็คือพระเจ้าจะใหญ่ขนาดไหนเราพระเจ้าผู้สร้างผู้ประทานพระจิตวัญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นจิตวิญญาณพระอรหันนั่นแหละ ท่านสร้างได้มากก็เป็นพระเจ้าใหญ่ท่านสร้างได้มากประทานได้มากท่านสร้างได้น้อยถ้ากิดเป็นพระเจ้าน้อยๆเห็นพระเจ้าไหมเสร็จแล้วพระเจ้าก็ยังไม่ติดยึดพระเจ้าเราจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเป็นพระอรหันต์เจ้านี่มีจิตวิญญาณเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแล้วแต่ว่าท่านไม่ยึดว่าพระเจ้านี้จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปไม่มีรัน แล้ววิธีการวางเอาวางเนี่ยไม่สำคัญมันหมายฮาร์ดจริงๆฝึกจริงๆภูดมาตามมงคลฝึกไปตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไปคุณก็จะฝึกเป็นแล้วคุณก็ต้องฝึกแต่ถ้าคุณหลงติดก็ติดถ้าคุณไม่หลงติดคุณก็ฝึกออกฝึกวางก็จึงจะเป็นอรหันต์ได้เมื่เป็นอรหันต์ได้ฝึกวางได้เป็นได้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะศูนย์มีสิทธิ์ที่จะไม่มีพบไม่มีชาติอีกต่อไปแต่การจะมีพบมีชาติ ก็เป็นๆมีะัพพารอาหารเจ้าช่วยคนอื่นอยู่ก็มีพบมีชาติอยู่มันจะยากอะไรเรามีพบมีชาติมันยากตรงไม่มีพบมันไม่สําคัญต้องไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นดาวต่างหากมันยากต้องให้ไม่มีภพไม่มีชาติได้ถ้าฝึกจริงๆมันนั่งพูดเฉยๆไม่ได้เมื่อฝึกไม่มีพบไม่มีชาติแล้วมีสิทธิ์ที่จะปรินิพานแต่ถ้าคุณจะไม่มีสิทธิ์มันนี้คุณจะไม่ปรินิพานคุณจะ อยู่กับทุกขนี่แหละก็มันมีเกิดมันต้องมีทุกข์จะเกิดเป็นนิสุทธิเทพยังไงก็ยังทุกข์อย่างน้อย ก, ก็ทุกข์เพราะขี้เพราะเยาก็จะพูดแล้วไอ้ทุกข์ที่มันเลื่องไม่ออกมันต้องมีทุกข์ทำงานมันก็ทุกข์แต่ว่าเราก็ไม่ถือมันจะหนั ก, จ ะ, นกจะหนายัางไงก็เราไม่ถือเราเห็นคุณค่าเราเห็นประโยชน์เราก็ทําไปสิพราะหันจ้าที่ไม่มีตัวตน จ, จริงๆไม่ดูถือตัวถือตนไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนจริงๆท่านถังขยันแล้วท่านก็ดูแต่ว่ามันจะทําลายสังขารไหมเท่านั้นเอง มันจะเป็นไปเพื่อความมันเป็นกิริมาถากิเลมาอัตตกิริมาถะหรือไม่มันทรมานอัตตาไหมทำามไม่ทรมานไม่มีความทรมานอัตตาให้มันเป็นสุดเป็นส่วนเป็นโซมอะไรมากนักไม่มีปัญหาอดไรนี่เพราะอัตตาไม่ใช่เราจะทรมานมันหน่อยก็มันเป็นเท่าไหร่ทรมานมันมันก็ตายไว้หน่อยตาก็ตายถ้าจะจะปริบติผ่านแล้วเพราะพระอรหันต์เจ้านึกออกไหม จะตายไว้หน่อยเท่ากับไม่ร้ายเราก็ท่นานเจริญนิพพานนะเพราะอาหารหันเจ้าธรรมดาจึงขยันกว่าพระโพธิสัตว์อีกพระโพธิสัตว์นี่ต้องรักษาความสมดุลอีกอิธิบดีให้ให้นา น, านๆให้ทรงดีๆไม่เช่นนั้นมันจะตายไวตายไปแล้วมันเสียโอกาสนะเพราะฉะนั้นถ้าพอโอกาสควรยังไม่ควรตายก็เลี้ยงไว้พระโพธิสัตว์จึงมีตัวประคองหรือมีตัวที่จะต้องดูแลรักษาเรือมาระวังมากกว่าพระ อรหันทรัยพยอาหารหันต์ก็จะปริิญพานแล้ว่ถ้าไม่ต่อพบมบพระอาหารหันต์ยิ่งขยันขยันมากพระพุทธศสนาก็ขยันอยู่แล้วคือพระพุทธศาสนไม่ขยันก็สวยแล้วล่ ะ, ะก็ตายแล้วไม่อุตสาหะบากบัน่นไม่อดทนไม่ขยันไม่ได้พระพุทธศาสนานีมันเลือดแท้อยู่แล้วแต่จะเห็นได้นี่ถ้าคุณฟังดีดีคุณจะเ ห, เห็นเหตุผลของมันว่าพระอาหารหันต์ยิ่งขยันเพราะถ้าไม่แปลกอะไรนี่ถ้าจะตายเลยไปก่อนนั้นพระพุทธเจ้าจะปริิญพานสุดท้าย สร้างศาสนาแล้วสร้างในยุคที่มันจะรียุคอยู่แล้วชุกลุกหลังสุดแล้วพระเจ้าถึงอายุแปดสิบตายก่อนกลับก็เพราะเหตุ น, นี้เข้าใจไหมเห็นชัดไหมเพราะว่ามันโโหมันต้องช่วยต้องบากบั่นเกินขีดไม่งั้นมันช่วยคนไม่ได้อัตมานี่จริงๆแล้วจะต้องอายุสั้นแต่อัตมาก็ย้อนแยกงใจพยายามฝึกที่บาทอัตมาก็ยังไม่รู้เลยว่า อาตมาจะไปได้ไม่ได้แค่ไหนจริงๆอาตมารู้ว่าอาตมาจะตายอายุเท่าไหร่เนี่ยอาตมายังจะดูที่ว่าอาตมาจะต้องตายก่อนหรือไม่ตายก่อนแต่พยายามไว้แล้วอธิบายพระเจ้าอาตมาก็เคยฝึกเพราะเราคิดว่าเขคงจะไม่อะไรนักก็คงจะตายเกินกว่าที่ที่อายุคนตายอาตมารู้ว่าอายุไขอาตมาเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็คงจะเกินบ้างแต่จะเกินไปได้เท่าไหร่ยังไม่รู้อธิบายเราจะมีเท่าไหร่ไม่รู้ก็พักเพียรอยู่ ว่เท่าไรก็อารัตนนาจะอารัตนาร้อยยี่สนั่นเดี๋ยนี้เขาอารัธนาเขาอารัตนาร้อยยี่สอารับรับอารัธนาตรงนั้ น, น, น, น, น, น, นแต่เราจะอธิบาตได้เท่าไหร่บนที่เร า, ากับพวกคุณด้วยช่วยใหอาตมาตายไวก็ได้นดื้อามากๆสิทวงเขา ม, ามากหนักมากมันก็ตายไวได้น ะ, ะเราได้ขยายอะไรขึ้นมานี่แม้เล็กแม่น้อยซ้ําซากเรื่องเก่าหัวข้อเก่าอุเทศเก่า แต่เราจะได้เข้าใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นชัดขึ้นเพรา ะ, ะเรามีรากฐานมีพฤติกรรมหรือได้เรียนรู้มีสภาวะรองรับเรายิ่งจะเข้าใจง่ายธรรมะทำในธรรมเป็นภาษาธรรมะและเป็นเรื่องธรรมะปุกราธิฐานธรรมาริฐานเราจะชัดเจนขึ้นแล้วคุณจะเกิดสัทินสีศรัทธาพระแล้วก็หรือวิริยินรีวิริยะพระก็คุณเองนั่เองน่ะแหละจะภาคเพียรเพื่อที่จะให้จเจริญงอกงามขึ้นมันก็ยิ่งจะสูงขึ้นไปไเรื่อยๆตามความเป็นจริงนะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วออกแค่นี้ก่อน